La pa lan i บาดนี้พอเมื่อพลบนลำกันลำสิได้เต่าลำ อื้นตื่นขึ้นมามื้อเช้าใส่อายให้ค่อยฟังตกกระเทือนว่าได้ เข้ากำลาท่งตวงผมเต้าหมู่ สองคนเฮาจะเว้าประสงค์เอาอย่าล่วงมันหักเป็นหลายๆประสงค์บังซ่อนเมื่อลมวอนพัดไปลมพัดไปโดเด่เดอ้ายว่าไปตรงซั่นสิหอยซานโน ละลมคนใดต้องตั้งทางทางบัดน้องยาโอ๋ได้น้องบางณนกกระโดกห้องใจน้องหมดห่วงนําใจนางลําณทมยุ่งคะนิ่งสู้กินละพมรินยอดสู้คั่นไกลแล้วเอ้ยพี่ o o o o o ai la na